หนึ่งจุดเจ็อุทานธรรมบทแรกของพระพุทธเจ้าคือบททักตันหาตันหาตัวนี้ร้ายมากตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะไม่ทักเทวดาอินพรหมอะไรไม่ทักเลยแต่ทักตันหาอุทานธรรมบทแรกของท่านไม่ใช่ธรรมจักกับปะวัตนสูตรธรรมะบทแรกของท่านคือบททักตันหาเครื่องหมายคาพูดเปิดตันหาผู้เป็นในช่างผู้สร้างเรือนเรารู้จักเจ้าแล้ว ต่อไปนี้สร้างเรือนให้เราอีกไม่ได้แล้วเรือนเก่าเราก็รื้อทิ้งไปแล้วจิตของเราเข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ปิดเครื่องหมายคำพูดจิตของเราก็ยังปรุงไปเรื่อยมีความอยากแล้วก็ดิ้นไปดิ้นไปมันน่าสงสารนะพอเรารอดไปแล้วเราจะมองเพื่อนฝูงทั้งหลายมันสลดสังเวชสลดใจมันยากลำบากมันไม่ใช่เหมือนคนเดินอยู่ที่พื้นแล้ว คนที่รอดอยู่บนภูเขาแต่เหมือนคนอื่นอยู่ในเหวแถมตาบอดด้วยคือไม่รู้ทิศรู้ทางมีชีวิตแบบไม่รู้ทิศทางธรรมะต้องเรียนนะเราถึงจะได้ทิศทางว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจะพัฒนาจิตใจไปได้อย่างไรถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะรู้สึกวังเวงอย่างพวกเราคนไหนที่ภาวนาจนชนานาญเคยชินแล้ว ชาติใดที่ไม่เจอศาสนาพุทธในใจลึกๆมันจะรู้สึกวังเวงรู้สึกว้าเวมันไม่รู้ว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่ไม่ได้ทำชั่วนะก็ทำทานถือศีลทาสมาธิไปอย่างนั้นแหละแต่มันไม่รู้เป้าหมายของชีวิตมันจะรู้สึกเวงวางจะรู้สึกวังเวงรู้สึกหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอะไรไม่ได้ไร้ทิศ ท, ทางถ้าเราศึกษาธรรมะจนเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราก็เริ่มเห็นทิศ ท, ทาง คนที่เห็นทิศทางครั้งแรกคือพระโสดาบันนะถ้ายังไม่ได้พระโสดาบันก็ยังไม่รู้ทิศทางศาสนาพุทธนี่อย่างพวกเราต้องถือว่าเป็นนักเรียนเตรียมระดับโรงเรียนเตรียมพระโสดาบันถึงจะเป็นนักศึกษาพระโสดาบันเป็นเส ข, ขบุคคลเป็นนักศึกษาพวกเรายังเป็นนักเรียนเตรียมอยู่บางคนก็นักเรียนหนีโรงเรียน ต้องอดทนนะเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครช่วยตัวเองได้แล้วใจมันจะมีความเมตตาการุณาสงสารเห็นอกเห็นใจคนอื่นมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะขวนขวายยอมเหนือ่อยยอมลำบากครูบาอาจารย์ท่านแก่แล้วนะหามไปเทศท่านก็ไป